สำหรับวันนี้เราก็เริ่มเรียงพระกรรมฐาน40กันต่อไปเพราะว่ามันท า, าวาทิชก็เป็นเรื่องของมหาสติปัฏฐานแน่นสุเมื่อวันก่อนนี้เราเลียงกันตอนไหนจันได้ไหมน่าหนาหล่นี่ตรงนี้เลยไมในย่ำกรรมฐานมันไหลทั้งสูดได้ วันนี้เราก็มาพูดกันถึงเรื่องอารมณ์ของระกรรมฐานอันนี้นี่ไม่ต้องไปเปิดหนังสือดูซะเลยเวลานี้เป็เวลาฟังไม่ใช่เวลาอ่านหนังสือจําให้ได้นะไม่ใช่ไปนอ่านหนังสืออารมณ์ของรกรรมฐานนี่มีสี่จิตแต่ว่าจะยกไว้ก่อนเพเบื้องต้นในการที่เราจะเจริญเทกรรมฐานได้ดีก็ต้องรู้อารมณ์ของจิ ที่เข้าถึงกรรมฐ า, านแต่ละตอนตอนนี้เรื่องของจิตที่เข้าถึงกรรมฐานแต่ละตอนนี้ในตอนต้นท่านสมาธิท่านเรียกว่าคณนิกาสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยแล้รลองลงมาก็เรียกว่าอุปจาระสมาธิอุปจาระสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าฌานเขาเรียกอุปจารฌานคือเข้าไม่ถึงฌาน ทีนี้ต่อไปก็เป็นอัปนามสมาธิตัวอัปนามัสมาธินี้ความเจริงทารยะต้นม้นก็เป็นอุปจาระสมาอุปจาริชานแล้วว่ามาถึงตอนจุด ป, ปลายก็เป็นเรื่องของฌานนี่ฌานก็แบ่งออกเป็นสี่ระดับนี่ถ้าเว่ากันที่ฌานที่เป็นรูกของฌานนะคือว่าผมม่ฌานฌานที่หนึ่ง สุติยฌานฌานที ong, g, si ่สองสาธิยฌานฌานที so well, ่สามจัตุยฌานฌานที่สี่แล้วนี้เรามาว่ากันถึงอุปจาระในสมาธิส่วนก่อนคณิตาสมาธินี่เราจะเจริญพระกรรมฐานกองไหนก็มีสภาพเหมือนกันว่าบทสูตรของรกรรมฐานแต่ละบทหรือว่าอารมณ์พระกรรมฐานแต่ละกอง ย่อมีอารมณ์เส ม, มอกานที่เราเรียกมาสมาธิอาการของสมาธินี่เป็นสายกลางถ้าเราจเจริญเพื่อกรรมฐ า, านแล้วก็ไม่รู้อารมณ์ตอนต้นหรือว่าไม่รู้จิตเข้าไปถึงสมาธิว่าอันนี้เขาเรียกกมาอะไรแบบนี้เราจเจริญกันไปจนตายก็เอาเดีอะไรไม่ได้เพราะอะไรทั่วเราไม่รู้จุดที่มันจะเข้าไปถึง ในจุดที่จะเข้าถึงตอนต้นแล้วก็ดูสุดเราเขาเรียกว่าคาณิกาสมาธิสมาธิตัวนี้เรียกว่าสมาธิเล็กน้อยนี่การได้สมาธิเล็กน้อยนี่เราจะเจริญกรรมฐานกองไหนที่กสิ้นสิทธสุขสิทธอนุสติสิทธปารีปฏิกูลสัญญาจะดูธาตุทั้งสอะไรก็ตามอารมณ์มันเหมือนกันเว้นไว้แต่เพียงว่า อาการของทำหรือว่านิมิตแต่ละยางจะไม่เหมือนกันคนนั้นวันนี้ถามว่าเรารู้เรื่องตอนต้นันแล้วว่าคณิกสมาธิมีสภาพเป็นยังไงโุปจาระสมาธิมีสภาพเป็นยังไงอัปปนาสมาธิมีสภาพเป็นยังไงปัตมิตรทานเป็นอย่างไ ร, มมรทุติยัติยัติจะถูกทานทาาเป็นแบบไหน ถ้าเราเข้าใจเสร็จแล้วเราจเจริญเธ่ากับมาถานทุกกองก็เป็นของง่ายหมดนีด่ว่าเป็นของง่ายก็เพราะว่าเราเข้าใจแล้วก็เรารู้จักนี่แล้สมาธิในเบื้องต้นที่เรียกว่าคณิกาสมาธินี่องคนะ์นั้นเนี่ยเอากระดาษวางนะไม่มีระเบียบวินัยคนใช้อะไรไม่ได้ปฏิบัติตนให้เหมือนฉบายนี่ละนะจะอยู่ในระเบียบวินัยที่ดี เวล า, าฟังไม่ใช่เวลาอ่านหนังสือเวลาถามคุณก็ไม่รู้เรื่องต้องจํงาไว้นะว่าที่นี่ต้องอาศัยระเบียบดีในเป็นสำคัญไม่ใช่เราบอกแล้วแล้วก็เย่างนดื้อจะดันอยู่พระพุทธศาสนาให้คำนิยต์ใครหักตัดใครหักไม่ใช่ทําตามเราทารงเด็กไปต้องมีระเบียบดีในนี้คณิกาสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อย นี่เราจเจริญท่ า, า, ากรรมฐานกองใดก็ตามถ้าหากว่าจิตเราทรงอยู่ในอารมณ์ท่ า, า, ากรรมฐานกองนั้นชั่ขณะหนึ่งคําว่าทรงอยู่เนี่ยสมมุติว่าเรากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกแล้วก็รู้เฉพาะลมให้ใจเข้าให้ใจออกจริงๆที่ไม่มีอารมณ์อื่นเกี่ยวนหรือว่าแต่หากว่าเราใช้พุทธานุสติสมาทานควบ เพราว่าใช่โดยเฉพาะเราภาวนาว่าพุทโธเระละหังอะไรก็ตามเรื่องการทำภาวนาเนี่ยอย่าถือเอาไปเป็นแบบฉบับก็ไปทะเลาะกัน น, นีพวกเราก็ถามว่าพวกเราใช้ทำภาวนาว่าแบบไหนครัพุทโธอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกไม่ใช่องใช้ใช้คนฉันใช้ธรรมาละหังอีกพวกหนึ่งเขาบอกไม่ใช่ของใช้ฉันของฉันใช้ธรรมสัมมาละหัง อีพวกหนึ่งก็ว่าไปอะไรประทันแล้วก็ถือว่าเป็นแบบสำบับที่ถูกหรือผิดดีกว่าฟันเลวกวกัน <c oughs> ถ้ามีอารมณ์อย่างนี้แล้วก็เพิ่เข้าใจก็ถือว่าเราไม่ได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาเลยทั้งนี้เพราะไายประว่าคำภาวนาทุกอย่างเนี่ยแต่การโยงจิตเพื่อเข้าถึงสมาธิเท่านั้น จะถือว่าเป็นคำภาวนาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยไม่ได้นี่เราจะเห็นได้ว่าถ้าจิตของเราเข้าถึงทุกติยทานจืตทานที่สองคำภาวนานี้หายไปนี่เราจะภาวนาว่าอย่างไงก็ได้มันคือผลเหมือนกันนี่จำไหมนะถ้าใครก็ถามว่าคำภาวนาแบบไหนดีกว่ากัน ก็ตอบเขาได้เลยมาคำภาวนาแบบไหนก็ตาม ม, มีผลเสมอกันแล้วว่ามีผลดีหรือผลชั่วก็อยู่ที่จิตเขาบุคคลผู้ภาวนาเขาจะภาวนาคาถาบทไหนก็ช่างถ้าจิตไม่เป็นสมาธิเขาก็จะเอาผลอะไรไม่ได้เลยอันนี้คำภาวนาเป็นเครื่องโยงจิตจิตของเราก็ได้ผูกพันไว้กับคำภาวนาไม่ทรงจิตให้ไปสู่อารมณ์อื่น เอาว่าจิตจับอยู่เฉพาะคําภาวนาเขาดีหรือว่าจิตจับอยู่เฉพาะนิมิตของกระสินส่วนใดส่วนหนึ่งก็ดีหรืออารมณ์ให้ใจเขาออกก็ดีอย่างนี้เราเรียกกันว่าเอกะตารมนี่อารมณ์แต่อันเดียวที่เป็นตัวสมาธิเอาคถ้าเป็นเอกะตารมจริงๆเนี่ยท่านเรียกว่าฌานตอนนี้ยังไม่พูดึฌานเอาถึงเอกะตารมนิดหน่อยมันยังทรงตัวไม่ได้ นื่องจาจิจับอยู่เฉพาะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะซึ่งไม่มีอารมณ์อื่นเกี่ยวนสมมติว่าเราพิจารณาลมให้ใจเข้าให้ใจออกขณะนี้เรารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกเรารู้อยู่ว่าให้ใจออกนี่ว่ากันทำแบบวิสุทธิมรรคมันไม่ใช่มหาสติปัฏฐานนะทุก ถ้าเรารู้อยู่วาให้ใจเข้าให้ใจออกไอ้การรู้อยู่ของตามแบบอิสุติมักใหนจัดฐานลมเป็นสามผันเวลาให้ใจเข้าลมกระทบจมูกแล้ว ก, ก็กระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือสะเดือนิดหน่อยเวลาให้ใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะเดือนนิดหน่อยกระทบหน้าอกแล้วก็ทบลิ้มที่ปากอย่าลืมนะให้ใจเข้ากระทบจมูก ให้ใจออกกระทบริมจปากเพราะว่าอะไรเพราะว่าลมเข้ากระทบจมกูกเวลาออกมันไม่กระทบเลยจมกูกอะมันเลยก็มาหาริมจมูก ต, ตอนนี้เราก็มานั่งพิจารณาถ้าเราจะใช้ลมให้ใจเขาออกเป็นเครื่องพิจารณาจิตว่าจิตของเราเข้าสู่ระดับสมาธิระดับไหนอันนี้ง่ายมากที่ว่าง่ายก็เพราะว่า ถ้าขนาะใดาที่เราใช้ลมให้ใจเขาออกรู้กระทบแต่เพียงว่าให้ใจเข้ากระทบแก้มุกให้ใจออกกระทบปีน ท, ที่ปากไอตอนไหลเข้ามาถึงหน้า อ, อกแล้วก็สูญอันนี้เราไม่รู้เรารู้อยู่จุดนั้นโดยเฉพาะจุดเดียวจุดอื่นถ้าหาว่าเราจะพึงกาหนดรู้ก็เข้าใจว่ามีความยากมันลาบากมาก แต่ว่าเรารู้เพียงแค่จิตอนอกีจโดยเฉพาะกระทบจมูกก่อนเ พ, กน พ, กนพรกระทบดีที่ปากอย่างนี้ถ้าจะวัดสมาธิท่านเรียกว่าคณิกาสมาธิเป็นสมาธิเล็กน้อยแล้วก็จะมีการทรงตัวอยู่ไม่านอันนี้หากว่าจิตของเรามีอาการดีขึ้นทรงสมาธิสูงขึ้นเวลาให้ใจเข้ากระทบจมกูกแล้วก็กระทบกระอกข้างในะ แต่ว่าไม่รู้สึกถึงศูนย์้จุดสองจุดนี้รับรู้กระทบดางแรงพอเข้าไปมันไหลเข้าไปในะลมกระทบดอาจมูกแล้วพอไหลเข้าไปถึงแล้วออกนี่เรารู้รู้จริงๆแล้วไม่ใช่เราไปแกล้งทําให้ลมหายใจแรงๆอันนี้ใช้ไม่ได้ต้องปล่อยลมหายใจไปตามปกติธรรมดาหายใจแบบปกติ เพระว่าตอนกระทบหน้าอกรูก้กระทบลิงที่ปากมันจะหมกรู้อันนี้ถ้าจะเยกเรียกาว่าสมาธิเขาเรียกาว่าอุปจารสมาธิก็สมาธิมาเริ่ม ส, งสูงขึ้นมีสติสม่ทัญญะสมบูรณ์ขึ้นวันนี้หรัว่าเราเกิดรู้สามฐานเวลา ใ, ใจเข้ากระทบจมกูกหายใจแล้วก็กทบหน้าอกพอ ถ, ถึงศูนเราก็รู้ เวลาให้ใจออกรู้ทึงจากศูนย์กระทบมาอกกระทบดีที่ปากแต่ว่าอาการไหลคลง่งหลมนี้เราไม่รู้มันไหลลงไปยังไง ร, รู้แต่เฉพาะเวลาจิตกระทบอย่างนี้ท่านเรียกว่าเข้าถึงปฐมมิตรฐานแต่ว่าเป็นปฐมมิตรฐานยากมันจะทรงตัวอยู่ไม่ได่นานถ้าหกว่าเราให้ใจเข้ากระทบลากระทบจมูก แล้วลมไหลลงไปขนาดไหนก็ตามเรารู้สึกหมดคล้ายๆกับ น, น้ําไหลกระทบหน้า อ, อกก็รู้แล้วก็ไหลลงไปสู่ท้องเหนือสะดือหรือสะดือนิดหนึ่งเราก็รู้สราบการกร ะ, ส ะ, กะแสลมที่ไหลลงไปโดยให้ใจปกตินะแล้วเวลาออกเราก็รู้แล้วก็พรทบท้องแสบฉานแบบนี้จัดว่ า, าปเป็นปฐมฌานอย่างกลางหรือว่าอย่างละเอียด ถ้าอย่างกลางที่จะรู้สึกเรารู้กากระพบน้อยเกินไปถ้าอาการที่ลมไหลเข้าไปเนี่ยน้อยเกินไปแต่ว่าเป็นปฐมชาติละเอียดมันรู้สึกหนักเรู้สึกเป็นปกติเหมือนกับเรากระทบของธรรมดาธรรมดาถ้ามือขีดที่ขีดตั้งแต่ปากลงไปหาท้องขีดจาท้องมาหาปากอย่างนี้เป็นอาการของปฐมชาติ นี่ตอนนี้เรารู้จังหวะไว้ว่าการทำสมาธิเราต้องการทานเป็นสําคัญเพราหาก ว, ว่าถ้าเราทําจิตเท่าถึงว่าผมไม่ทานได้แล้วถ้าเราจะเดิ่มนปพพานาญานกําลังจิตก็จะสามารถปักิีเลตเป็นสมุทเกตระหรันเป็นข้าอร า, ารียเจ้าได้เป็นข้ารหันได้อันนี้ก็ของไม่ยากตอนธรรดาธรรมดาผมว่าไม่ยากทุกอย่างทั้งหมดเลงเมื่อไง สบายใครว่ายากก็ตามใจเมื่อกว่าผมจะพูดว่าไม่ยากที่ผมล่อมาที่เยือกแตกนเรื่องงัดลงผีดูเหมือนเดินจงกรมเขาเอาทุกทางถ้าเดินจงกรมนี่ท่านเดินกันจริงๆถ้าว่าเราจะใช้กำหนดรุ่นลมใจเขาออกก็ะเด็นคำภาวนาก็ดีใช้การเดินถ้าก็มาถานกองใดได้นระยะระหว่างเดินนะ่ะก็ามาถ่ายกองนั้นไม่เสื่อม ฉนั้นกรรมาฐานที่ผมถนัดนี่ผมไม่ใชไปยกย่องตัวหลายองค์เาถนัดถนัดมากทีก่สุดก็คือจงโมโจงโจมนี่ยผมทำของผมได้หมดสี่สิบกองแล้วก็รู้สึกว่าคล่องกับ น, นั่งไอ้นั่งนไม่ถนัดกับผมถ้าถนัดอีทีก็นอนไปเลยเพราะมันได้สี่พิยาบทนั่งนอนยืนเดินยืนกับนั่งนี่ผมไม่ถนัดผมถนัดนอนกับเดิน ม <c oughs> ันเดินเมื่อยก็นั่งไม่ไว้นอนแงแกระ น, นอนแผ่ก็จับอารมณให้มันดีเท่าเดิมไอเดินนี้ตั้งอารมณ์ยากเดินนี่รักษาอารมณ์ยากจ้ะไอ้ตรงยากยากเนี่ยถ้าเราบรรได้แล้วมันไม่มีทางขึ้นหลือเพราะว่าเพราะกรรมฐานกองใดถ้าเราจะได้ฌานเพราะการเดินเนี่ยเราไม่ได้นั่งนิงน่งๆมันเดินฮนะ พขต้องมีการละมัดระวังมากมีอาการหนักมากต้องใช้กําลังใจสูงมากฉะนั้นในโบราณอาจารย์ตั้งแต่สมัยผมลงไปถอยหลังออกไปพร <c oughs> ะสมัยนั้นท่านถนักในการเดินกันมากในการโทรงการเพราะว่าต้องหนักในกานทุดดวเวลาที่เราทุดดวงในฝ่าเนี่ยเราอยากจะเห็นผีเห็นธเรวดาจะรู้เรื่องราวต่างๆจะโมไปนั่งหลับตาดีไม่ดีท่าเหยียบหัวแหลกหมด ใช่ไเวลาเดินไปจะต้องไม่ประมาใจพระสุตดงต้องคิดอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายทุกขณะทุกลมให้ใจเข้าให้ใจออกที่เราเดินอยู่ในป่าเนี่ยเราจะตายเมื่อไรก็ได้ถ้าเราตายด้ยการขาดสติสัมปชัญญะเราไปไหนอ่ะเราต้องไปอาบายาคูพูดอย่างนี้ฟังยากเรื่องเราไปนรกดีกว่าง่ายเลยนะ แล้วก็ไปในรกใจดังนั้นการไปผู้ดงเนี่ยเข้าไปกันเพื่อตายเรามันอาจจะตายง่ายที่สุดแล้วอาการที่มันจะตายตายระหว่างผท้ ด, ดงเป็นยังไงแล้วก็ตั้งใจไว้โดยเฉพาะ <c oughs> ว่าถ้าเราตายในระหวา่างผู้ดงนี้เราจะไปพรมหรือว่าเราจะไปนิพพานในสวรรค์แค่ตูดหมาเนี่ยไม่มีผ้าผู้ดงจริงๆเขาตั้งใจไปเราผมเรียกว่าแค่ตูดมหมาเหนไห ใกล้นิดเดียวจอกจ็ดจอยแจบอกไม่ถูกผู้หญิงผู้หิงเยอะแยะไปหมดฮึ hmm? แเดนฟ้าเจ้าสูอย่างคนจริงก็อยากไปงอนานศาลนม่ hmm? ถ้าไปแกอ่านเลยเนะี่ยแ่คนเดียวนางฟ้าตั้งพันเอาที่แตกเลยไอ้เ hmm? จ้า่าคุณมันนั่งรายงานคนละคำก็พันคำแล้วเจ็บ okay. ตอนนี้พระทุนลงก็ตั้งใจอย่างนั้นฉะนั้นในโบราณท่านจึงนิงยมการใช้เดินจงกรมก็คุณใช้ก็ได้เวลาการเดินไม่หามนายกุฏิพวกเรานายกฏิถ้าอยู่คนเดียวก็ว่ามันคนเดียวเดินในที่จับแขกในห้องหกสอบนี่ยผมใช้เดินบางทีเดินสามสี่ชั่วโมงไม่ต้องไปเดินที่ไหนเดินเบาๆก็จะเดิน เวลาเดินไปเก้าวไปขนารวก้าวหนักก้าเอานี่ก้าวไปก้าวก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาถ้ามันไม่ถนัดออาก้าวขนาพุทธโภพุทธโภวเลยไปหรือว่าอย่างนันก็ลอยทีที่โซ่กวาให้รู้เท้าเดินด้วยที่ใช่ได้ใช่ได้ทั้งหมดจะเอาจุดไหนก็ได้หรือว่าจะตั้งในมิจฉสิงขึ้นก่อใดก่หนึ่งแล้วก็ตั้งจับภาพในมิจฉสิงขึ้นเอาใจเห็นแล้วแล้วก็เดินไปให้มันเห็นอยู่ตลอดเวลา ในนี้ใช่ได้ไม่ว่ากันเลยไปสนหน่อยแล้วตอนนี้มาว่ากันคือถึงขังน้นอีกาสมาธินะต้องรู้จักอารมณ์ไวนะ้ไงฟังไว้แล้วก็ได้มันหายไปแใ น, นเวลาที่เราทําได้กรรมฐานถ้าเราไม่รู้อารมณ์แบบนี้เลยคุณเนื้ยผมให้แสงโกรธซักมันไม่ไปไหนเพราะทำแล้วไม่รู้อะไรไม่รู้จะเสียงไหนทํากันไปมันก็ไอแสงนะั้ นักข้าในเข้าวัดทำสตรงเดชพอไปวัด พ, อ, พ อ, อุปนิสัยถ้าใจคิดว่าพอเป็นอุปนิสัยเนี่คุณคิดไม่ได้เลยว่าคุณไม่เลยนรกอ่ะไม่เลยนรกแน่เพราะใจมันไม่มีกําลังหนูนี่ใจที่มีกําลังจรงที่เราเรียกกันว่าเร า, ามีบารมีก็คือกําลังใจ ท, ทุกข์ทนนี่เราต้องทํากันทีเดียว พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีระเบียบอยู่สามอย่างเคื่องที่ศีลสิดขารักษาจิตโดยกําลังของศีลให้บิ่งรักษาศิลให้หนักอย่าให้บกท่อมลายศีลอธิจิตติศีลขาต้องมีทานสมาบัติอธิปัญญาศิลขาต้องมีปัญญาพิจารณาร่างกายที่เราเรียกกันว่าวิสนาญา คือว่ารู้แจ้งตามความเป็นจริงยอมรับนับถือกฎของธรรมดาไม่เยี่ยการ ด, ดิ้นรนอย่างนี้จริงียกผู้เชื่อว่าเราบดเข้ามาในพระพุทธศาสน า, ศาแล้วก็เป็นสาวกพระอ ง, องค์สมเด็จตัวสมัสมสมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระบวชเข้ามาแล้วสักแต่เพียงว่าบวชโกนหัวห่มผ้าเหลืองก็ถือว่าเป็นพระยอมการรับไหวของชาวบ้านชาวบาว้านเข้าไหวก็ยอมรับก็ใส่ข้าขขก็ยอมกิน อันนี้สบายคือสบายจริงๆเวลาตายแล้วลงนรกสบายไม่ต้องห่วงไม่มีใครถักคอสบายมากตรงดิ่งไม่มีทางเลี้วเพราะอะไรเพราะตัวเป็นเปรดเนี่ไม่ได้ทําจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลไม่ทําจิตให้เป็นสมาธิไม่มีอารมณ์ยอมรับรับเทกว่าของความเป็นจริงอารมณ์มันก็เท่ากับชาวบ้านธรรมดา ถ้าร่มเท่าชาวบ้านธรรมดานี่ยไปรับบูชาเขาได้ที่ไหนนะ่ะมันไม่ได้คนเขาพ่อเขาแม่ปู่ย่าตายายเขาเป็นนั่งไหวเราก็ลงนรกจร่งของนี้เขาบูชาเขามาบูชาพระรัตนกรัยเราก็ลงนรกวันนี้เราจะทําจิตให้พ้นจากนารกก็ต้องส่งสมาธิจิตสมาธิจิตนีน่นมีความสำคัญวันนี้ผมจะไม่พูดถึงนี่วันจะว่าอาการของสมาธิ เรารักษาอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต้องรักษาตั้งใจให้ดีนะตั้งใจไว้ว่านี่เราจะภาวนาว่าอย่างนี้เราจะรักษานิมิดแบบนี้หรือว่าเราจะทรงอารมณ์ลมให้ใจเท่าออกหรือว่าเราจะพิจรารณาพราะธรรมสานกล่องนี้ที่พระไม่บอกว่ากองไหนก็มันเยอะแยะมีทั้งภาวนา มีทั้งพิจารณามีทั้งกำหนดรู้และกรรมฐานสีน่สิบกองเราเลือกเอากองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะที่เราชอบใจที่สุดไม่ใช่ชจะจมานั่งจำกัดกเฉพาะอย่างนั้นอย่างนี้ตาลีผมบอกแต่ว่ากองที่ทิ้งไม่ได้ที่สุดก่อนใดทั้งอื่นใดทั้งหมดคุณพวกคุณจะต้องขึ้นอนาพานสตปิกรรมฐานก่อน นี่หาว่าพวกคุณบอกว่าอนนาปานุสติกามันฐานเราทำทองแล้วสรงทานสีได้แล้วไม่ตกใจถ้ามาบอกผมอะไรผมจะบอกว่าคุณเตรียมตัวลงนะกเพราะอะไรถ้า่าพวกคุณไม่ขึ้นอนาปานสติกมฐานก่อนคุณจะสงทางนยะังไงไม่มีทางไม่มีทางที่จะนำจิตเข้าไปถึงทานได้เลย ยินลักปฏิบัติกรรมกรรมฐานที่ก็ารงที่สมาบัติแปว่ากัได้านสมาทานไม่มีใครเขายอมปล่อยนาปานสติกรรมฐานเพราะถ้าปล่อยนาปานสติกรรมฐานนั่นก็ปล่อยกรรมฐานทั้งหมดอันนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองพระทรงพระองค์ก็ทรงสตร์กับสายบท ว่าสารีบุตตดูก่อนสารีบทเราเองก็เป็นผู้มากไปอนาปานุสติกรรมฐานคือลมหายใจเขาออกคําว่าเป็นผู้มากก็หมายความว่าพระองค์วันทั้งวันพระองค์ไม่ยอมทิ้ลงลมให้หายใจออกใช่ไหมนี่เราพรยทํากรรมฐานกั น, กนเราอย่าทําให้มันดีเกินพระพุท ธ, ธเจ้านะใช่ไหแล้วก็อย่าหย่อนจากความดีที่พระพุท ธ, ธเจ้าทรงตรัส ถ้าดีเกินไปก็ดีย่อนเกินไปก็ดีมีหวังลงนรกเอาแลแค่นี้นะพูดกันตรงไปตรงมานารกเขาไม่เต็มหรอคนถามม า, าอย่ายงเลยไม่เต็มเขาบอกก็พอคนจะกี่เท่าคนโลกลงไปเท่าไหร่เขาก็มีทางบัรจุให้แหนะ่ไอ้ดายยำนรกนี่มันไม่มีเต็มอัตราซะด้วยใช่ไหมไม่อัตราตลอดเวลา <c oughs> อนนี้อนาปานุสติเราต้องเชื่อตนสมมติว่าเ้าเราได้ทานสีในอนาปานุสติกรรมฐ า, านแล้วก็ทำทานสีในอนาปานุสติให้คล่องทำไมฐานี้สามสเก้ากองคุณไม่ง่ายจะริงกล้วยสุกอีกไม่ใช่กล้วยดิบ ห, หืงง่ายจริงจริงบอกไม่ถูกครับเนี่ยผมจะบอกตรงไหนอาละชลาบนะ แต่คนนี้เขาจะหลาเขาต้องเล่นอนาปานสติให้ชําให้ถึงที่สุดถึงกระทั่งไม่ปลายกฎว่ามีลมหายใจเพรว่าลมหายใจมีตวจิตกับกายมันแยกกันจิตไม่ยอมรับรู้เรื่องของกายาเรื่องประสว์มันก็เลยไม่รู้อ่ารากายให้ใจ <c oughs> ตรงนี้ถ้าเข้าถึงแล้วต้องซ้อมให้คล่องทรงตัวให้ได้นึกขึ้นมาบารายให้ปักเข้าถึงทันทีได้ทันที การเข้าฌานเนี่ยถ้าเราเสียเวลาเพียงแค่วินาทีเดียวเนี่ยก็ถือว่าใช้ไม่ได้เร็วเกินไปเราคิดว่านี่เราจะเข้าฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌาน ส, าาสาี่ฌานแปดอะไรตามเราคิดว่าเราจะเข้าฌานนี้มันต้องพักใจทันทีเพราะนึกก็เข้าถึงเลยเหนื่อยมากก็ตามร้อนมากก็ตามหิวมากก็ตามตื่นนอนไหม่ใหม่ก็ตา ม, มกํ า, ก า, นนก า, าลังป่วยไข้ไม่สบายก็ตาม อาการทางกายยาเสพแบบไหนก็ทำแต่เราคิดว่าเราจะเข้าฌานในข้าวปั๊บ ท, ทันทีนี่นักที่ได้ฌานเขาต้องทำํำให้คล่องแบบนี้แล้วก็เอาดีมันกองเดียวกองไหนอนาพาไม่สติก็มฐานเอาให้มันดีจริงๆเลยให้มันคล่องตัวจริงๆทะนี้อีกสามสิบเก้ากองทะเยอทะยานคุณเรื่องเล็กแต่และกองแต่และกองถ้าคุณทําไป ถ้ากองไหนถ้าคุณทํากองนั้นกว่าจะจบที่เจ็ดวันเนี่ยผมก็บอกว่าคุณเร็วเต็มทีก็อะไรเพราะอารมณ์ของสมถะมันเหมือนกันทั้งหมดเและอารมณ์ของจิตแนี่การทรงจิตมีเสมอกันถ้าอารมณ์ที่เจรนาต่างกันนิดหน่อยตนเองมันต่างกันนีกตัวพิจรารณาในการทรงอารมณ์ของจิตเสมอกันและก็เท่ากัน ฉะนั้นท่านยังกล่าวว่าถ้าหากว่าเราทรงสมถะภาวนากองใดกองหนึ่งเข้าถึงฐานแล้วก็ใช้สมถะกองนั้นเป็นวิปาาัสนาญาณมันไม่ต้องไปหาที่ไหนดันไปห า, ากันใ ห, เหนเนี่ยนอกพุงหลบผ้าเกตะใช้เวลาหือเปล่าไอ้ไม่รู้เรื่องของคุไปหาที่อื่นถ้ารู้แล้วไม่ต้องไปหาเราได้อนาปานุสติเป็นฐานก็ใช้อนาปานุสติเป็นวิปาาัสนาญาณ นี่จะไหว้วามทีหลังนี่พูดกันว่าการจะเจริญพระกรรมฐานให้ได้ดีเราก็ต้องเอากองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาปานุสติทิ้งไม่ได้เพราะว่าพระท่านยัยท่านว่าอนาปานุสติเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ใช้แต่เฉพาะคนที่มีวิตกาจริตกับโมหะใจตอนนี่ไ้รัว่าพระท่านเป็นพวกมีรารธาจริกพุทธธาจาริกเซตพาจริก อย่างเนี้ยเนั้นว่าโทรสะใจถ้าไปแท่อนาปานุสติมันไม่ผิดกับพุทธพจน์หรือได้คุณตอบอย่างนั้นผมก็ตอบว่าไอที่ผมพูดไม่ผิดแต่ว่าผมว่าผมแนะนำไม่ผิดเพราะอะไรเพราะว่าคุณมั่นใจนะว่าอาจมณ์อารมใจของพวกคุณไม่มีอารมณ์กับสักพายท่้นคุณตักไอตัวห่วงร่า น, นนะมีไหมมี ใครไม่มียกมือดิหาไม่ได้เลยใช่ไหมไอ้ตัวนี้เองที่นั่นในมหาสติปัฏฐานในสูตรพระพุทธเจ้าจริงขึ้นอนาปานุสติก่อนพระพระองค์รู้ไอ้ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้อวดว่าผมมิเศษหรอกผมเป็นลอกแบบพระพุทธเจ้ามาพูดนะมาทำเบ่งมาผมบอกอใช่ไหม ถ้าผมไม่ลอกแบบพระพุทธเจ้าพวกนั้นไม่ลอกแบบเห็ว่าท่าจะมาท่านกับผมไปนะรกกันสบายสบายนี่เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าอารมณ์ของพวกเราเนี่ยมีอารมณ์มักจสับส่ายพุ่งชั่งอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งลีตกกระจิต ก, ก็ดีอ้าลีตกกระจิตมันตัวคิดตัวนึกโมหะกระจิตก็้อตัวโง่ถ้ามันไม่งโง่มันก็ไม่คิดตรงเด็ด นี่ตกจริตเนี่ยมันคิดแล้วมันตัดสินใจไม่ลง <c oughs> จะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้จะทําอย่างโน้นจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโนมันตัดสินใจไม่ลงมันก็คิดฟุ้งส่งเด็ดพวกมันไปแล้วนี่คิดแะไที่คิดได้ยังไงที่เรื่อว่าท่านรวมกันเข้าไปก็เพราะโมหะจริตเอตัวงโง่ตัวหลงเนี่ยมันเข้าไปบวกกันถ้ามันไม่งโง่ไม่หลงแล้วมันก็ไม่คิดส่งเด็กแบบนั้น จะนั่นำทำไมถ่ายกองอื่นใดก็ต า, ามถ้าเราอย่าทำาันทีให้ขึ้นอนาปานนุสติก่อนกำหนดรุ่ลมให้ใจพอออกถ้าเราได้อนาปานนุสติกึงคล่องแล้วคุณเนะื้อการสิ้นสิทธิ์เนี่ยทั้งสิบกองถ้าคุณทําเต็มเดือนนะผมก็หาว่าคุณเร็วเต็มทีใช่ไหมเรื่องสุขจิตกันม่ตกันถ้าคุณจะเรียนสุกทั้งสิบกองเนี่ยถ้าถึงเดือน เข้าถึงทานทั้งหมดมันก็เร็วเป็นทีฉะ้มาได้อนุสติหรือก้าวกองและหาเร็วปฏิกูละสัญญาจาะเปทราบหลัฐานอะไรประจาพโกนี้จะหากว่าเราทําทั้งเดือนให้หมดกองนี่เราก็เร็วจัดเอาเวลานี้เกลีย